เจอกันน้อยก็เลยเวลาเวลาไหนก็มีมีมีข่าทุกเวลาเ น, ะนาะตอนนี้เราทำบุญแล้วทำบุญให้ทานหมดทุกอย่างบริจาคบวชพระบรวชการยมก็ไปคิดทิบ้านก่อนเพราะไม่ต้องมาบริจาคตรงนี้หรอกพราะเงินมันมันไม่ถึงไปคิดที่บ้านแล้วก็โอนเข้าไปเลยจะบวชพระกี่องค์กี่องค์เพราะคนไม่เห็น ถ้าโยมทําตรงนี้อ่ะโยมก็จะเห็นกันใช่ไหมบางคนอยากทำบุญ น, นึงไม่กล้าทาเบาะดูซ้ายดูขวาแล้วไม่เอาเก็บไว้ก่อนคือพระแต่ละองค์อ่ะท่านจะมีโครงการเมื่อจันจร์พันธ์ท่านก็มีโครงการสร้างเจดีย์เออเนี่ยแต่ละวัดละวัดน่ยจะไม่ตึองต้อง JD. JD เจดีย์เจดีย์ก็เรื่องว่าบูชาพระพุทธเจ้านะ่าบูชาพระพุทธเจ้าว่า พ, พุทธเจ้ามาเกิดขึ้นเนี่ย ดางนั้นการที่เราจะบูชาพผู้เจ้าเราก็ต้องดูว่าผู้เจ้าเนี่ยทําอะไรถึงเราต้องบูชาท่านเราทําอะไรถึงเราท่านทําอะไรถึงเราต้องเคารพท่านใช่ไหเราเคารพผู้เจ้าเราต้องดูที่มาของผู้เจ้าก่อนาผู้เจ้าท่านทําอะไรตัวพุทธเจ้าเราต้องท่านต้องทําสมาธินะถึงเป็นพุทธเจ้าถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่เป็นพุทธเจ้าไม่ได้เคารพบูชาดอกพระพุทธเจ้าท่านมีสมาธิ ท่านผุกผลอบรมของท่านจะมีสมาธิเสร็จแล้วะถึงประกาศตาฐานาพุทธขึ้นมาก็เรียกตัณหาตั้งชื่อของตัณหาเองอาจจะผิดเพี้ยนจากที่อื่นตัณหาตั้งชื่อว่าศาสนาพุทธเป็นแต่ศาสน า, าสมาธิตัณหาตึงแา่ตรฐนาสมาธิพบะพุพทธเจ้าฝึกสมาธิถึงประกาศศาสนาขึ้นมาเน่ยดังนั้นก่อนพุทธิยาจะเกิดขึ้นน่ะมันมาจากไหนอ่ะเราก็ตูอ่ะ เราจะมาดูแต่แต่ปลายเหตุต้นเหตุมีที่ไปที่มาพระพุทธเจ้ามาจากไหพระพุทธเจ้าจะมารูุ้ธรรมคนเดียวได้ไหมได้ไหมพระเจ้ามารรลุธรรมคนเดียวได้ไหมไ ด, ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไดพ่อเป็นบันเทมบาก็ไปภาวนาแล้วจังหกปีก็ไม่บรรลุเลยเพราะขาดอะไรอ้าวลองดูนะน่าขาดผู้หญิง พระพุทธเจ้าขาดผู้หญิงอขาดผู้หญิงเลยไม่บรรลุธรรมเลยใช่ไหมถ้ามีผู้หญิงบรรลุแล้วเนี่ยธรรมามีผู้หญิงบรรลุแบบเดียวเห็นไหมกับเข้าเต็มบารเลยอึ้งตึงเนี่ยเราไม่มีผู้ไม่มีผู้มีแต่ผู้ชายมุงทาไม่สุขเลยใช่ไหมเอ้าเขา้เขาๆเลยนะตอนนี้ธรรมาจะเอาสิ่งหนึ่งนะโยมนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าอาธิษฐานจิต อธิษฐานแล้วเป็นพระพุทธเจ้าอาธิษฐานแล้วเป็นพู้เจ้านะั้นถ้าไม่อธิษฐานเป็นไหมไม่เป็นนะเพราะอะไรจะไม่เป็นเพราะขาดอะไรฮะไม่ใช่ขาดผู้หญิงฮะเราจะอธิษฐานต้องมีผู้หญิงมีให้ของนางสุชาดาให้ถาดให้ข้าวกินเสร็จแล้วแล้วอาอาธิษฐานลอยถาดในแม่น้ำใช่ไหม แล้วถ้าไม่มีน้ำจะบรรลุไหมแล้วถ้าไม่มีน้ำผู้เจ้าเกิดไหมเพราะทุกเกิทุกคนเกิดจากน้ำหยดเดียวถ้าไม่มีน้ำไม่เกิดเขาใช่ไหมเออแม้แต่พุทโธถ้าไม่มีน้ำก็ไม่มีพุทโธนะธรรมโมตังโธถ้าไม่มีน้ำก็ไม่มาและน้ำที่เราเกิดมาจากไหนเรากินขวดนี้ไปจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะมีน้าถึงจะมีวิญญาณ เขาเลือกกรรมาฐานจริงๆก็คือน้ํามาเป็นฐานไม่ใช่ลมหายใจมาเป็นฐานถูกไหมลมหายใจมีเป็นท้องเหรอมีใครอะ่ะมีท้องตรงลมหายใจอะ่ะแล้วตรงหน้าผากท้องได้เหรอมันก็ไปท้องที่ท้องใช่ไหมคนก็เกิดที่ท้องดังนั้นอาตมาก็เลยเอาน้ําเนี่ยให้อธิษฐานดูว่าทําไมพระเจ้บาบรรลุได้ยังไงแล้วก็กินไปเลยนะกินเลยนะแล้วก็ตามด้วย ใช่ไมเปรียบเหมือนะน้ํากินนี่คือแม่น้ําในรันชราและถาดนั้นหมายถึงสตินะฮน้ําถึงไหนสติเราถึงนั้นถ้ากินน้อยถาดไม่ไตฮะถาดมันไม่ไต่มันลอยไม่ได้ก็จะไหมน้มามันน้อยมันไม่้มันต้องกินน้ําเยอะหน่อยฮะประมาณครึ่งขวดหรือขวดหนึ่งกินไปเลยไม่ต้องกลัวฮะอยากจะรู้พระเจ้าใบบรรลุทําตรงไหนอ่ะอยากจะรู้จริงๆใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่มีคนมาพูดนะ เรามาพูดเรื่องศีลศีลเนี่ยมาที่หลังนะศีลที่หลังนะพระพุทธเจ้ามีสมาธิแล้วถึงคนผิดศีลถึงไม่บรรญัติศีลเลยเราก็มามีศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมพระพุทธเจ้ามันรูุธรรมอ่ะไม่ได้รักษาศีล น, นะธรรมาตอนธรรมามีสมาธิธรรมาก็ไม่รู้ศีล น, นะยังไม่ได้เลยแต่นางปุ๊บปอบเข้าปุ๊บเลยมันน้ำเย็นเลยตอนนั้นเป็นศีลเลยนะ มีสมาธิปั๊บเป็นศีลเลยเด้<ม>เขาเรียกสมาธิศีลนะจะมีสมาธิมันก็เป็นศีลในตัวเพราะจะมีสมาธิโกรธคนไม่ได้ใช่ไหมเรารักษาศีลยังด่าคนได้เด้ยังโกรธคนได้เพราะรักษาแต่ถ้ามีสมาธิกำกับด้วยมันด่าไม่ได้ด่า ย, ยากเพราะสมาธิมันสงบแล้วมันหยุดแล้วใช่ไหมนะมันหยุดแล้วเอาแก่เลยกระกวดเดี๋ยวนี้นะ ในน้ำมันเนี่ยเป็นน้ำมนนะเนี่ยน้ำมนนะแจกันไปเลยคนละขวดละขวดละขวดทานไปเลยให้มันหมดเลย เ, <S <S เดี๋ยวก่อนออนะอ อ, อ, อน้ำเนี่ยก็เรียกน้ำล้างอาถรรพ์เออ ล้างอาถรรพ์นนะีใครมีผีมีอะไรอนะ่ะเจอน้ำเย็นผีออกหมดลลไม่กล้ายอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวเพิ่งทานเน้่เดี๋ยวจะมาต้องตีระคังกันหนึ่งนมนะจับไว้ดีๆนะ เดี๋ยวเรารู้ว่าอาการก็เ okay. ลือกก็เติมสติให้เป็นสมาธิอย่างไรนะเติมสติเป็นสมาธิอย่างเอ้ยอย่าเพิ่งเพิ่งยมเลยเอยใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆจนน้ำสมาธมันเต็มเตนเป๊าบเรียบร้อยยังไม่จมกระถาเลยปึ๊บเลยเตนเน่แรงนะน้ําเย็นสมาธิเตนเน่แรงนะใครจับปุ๊บกินปั๊บเลยนะอเดี๋ยวให้พรก่อนโยมให้พรเสร็จแล้วค่อยกินน้ําเย็นนะ น้าพอนั้นประเสริฐ น, นั้นคือเย็นเย็นน้าที่เราให้พอแล้วกลวดน้ำตอนนี้เราจะกลวดในท้องเจ้าของเข้าใจไหมเออกรวจไม่เจ้าของเลยเอ้าวเรียบร้อยอยางทางน้นอา้าวรับพอเนาะ อยาทาวเรวะอาภูราปาริปโรเรนิจชะกังอวเมวะอิโตดินนางเปตนางุปกปคาเตียจตังวะเจตังตมังเจปเมวะจามิจาตุตาเพปโรเรนตุสังกาปันจันดพบนราโชยตามณีโจติราโชยตาเพเดโยวิวัจันตุสัมบาร จัโตมาเตภาวาวันดรายวะคเทกาโยกภาวะ พิวานธนเทิงเลจนิจางวัฒนปัญญเยนวัจจารโอธรรมวัฏานเดียยวันโอวัชกังบาลังปวัตุจามังกาลังรักันตจามาเดียววัจจามาบํ ธานโนภาเวนะจันดาจโตเทปวัตวันโตเทตมังกลังรกันตจมบเดวตจจามาธาโนาเวนจันาจโเทปวันโตเทปวตเปมังกล เอนตุจามาเดวะจาระพะังกาโนปาเวน จ, จันดาจติยัวันตุเตเอ่าวยับโยมฐานน้ำเลยนะร้อมกันเลยทานประมาณครึ่งขวดหมดขวดยิ่งดี และทานเสร็จแล้วก็ระ ล, ลึกดูว่าความเย็นของน้ามันลงถึงไหนเราจะติเราตามไปถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนให้ง่ายๆน้าเย็นเปรียบเหมือนเป็นโจรสติเราก็เป็นตำรวจหน้าที่ตำรวจต้องไปจามจับโจรแล้วก็ดูว่าโจรวิ่งไปถึงไหนโจร น, นั้นคือความเย็นๆความเย็นๆลงถึงไหนหนาลงถึงไหนสติเราตามถึงนั้น น้ำที่เรากินไปไปน้ำมันในรัญชราสติเราก็เปรียบเหมือนถาดนะสติเราเปรียบเหมือนถาดน้ำไปที่ไหนถาดก็ไปที่นั้นแล้วก็ตามไปเรื่อยตามไปเรื่อยๆไม่เกินห้านาทีโยมนะี่เขาเอาก็เรียกว่าน้ำไปสุดตรงไหนถาดก็ต้องไปสุดตรงนั้นนั่นอ่ะพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเพราะท่านมีถาดลอยตามน้ำไป ตอนนี้น้ำมันไปไงต้นน้ำมันก็เลือกมันมีพโพรงน้ำพโพรงน้ำก็เหมือนกรเพราะเรานี่แหละถ้ำน้ำตอนนี้น้ำมันถาดมันก็ไปลงในถ้ำเพาอเลยถาดนั้นคือสติสติเรายืนกานไว้นะดูว่าความเย็นตรงไหนพยายามกํากับให้ยืนกรานไว้ถ้ากินน้อยไม่ค่อยรู้สึกนะถ้ากินเยอะให้รู้สึกนะตอนนี้ความในลึกรู้อยู่ตรงไหนก็ตามไปฮะ ตอนนี้ประมาณห้านาทีเนี่ยช่วงอาตมาฉันข้าวโยมเย่อบึ้งออกฮะเข้าไปก่อนเพราะน้ําจะไม่ออกฮะแล้วไม่ถึงเยี่ยวออกเลยฮะตอนอนีน้ความเย็นของน้ําอยู่ตรงไหนเอความเย็นของน้ําลงถึงทองแล้วกติเราก็ตามไปพยายามเหลือลึกไว้ไม่คือเราต้องเปลี่ยนฐานนะบางคนไม่ยอมเปลี่ยนฐานเจ้าของเลยเอาฐานอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมทั้งๆน้ําลงไปแล้วเราต้องเปลี่ยนฐานทิ้งฐานนี้หมดเลยฮะเอาฐานใหม่ฐานที่เราเกิด่ะ เพราะเราเกิดจากน้าเอานั่นเป็นมาเป็นฐานเนี่ยถ้าถ้าถ้าน้ำมาอยู่ในกระเพาะเราเราก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมถ้าอยู่ตรงโลทิจจมูกมันเกิดไม่ได้เด้มันต้องอยู่ในกระเพาะก็ดูลงกระเพาะอยู่ตรงไหนเนี่ตั้งสติเลยเริ่รู้ไว้ตรงนั้นเรื่อยๆเือๆเรื่ๆไปยืนการไว้ใจจิตมันจะออกนอกอยู่ไว้ข้างในจะออกไปมันอยู่ข้างในออกไปก็อยู่ข้างในเพราะน้ามันอยู่ข้างในเด้น้ําม่ได้ออกเนี่ยน้ําไม่ออกสติจะไปออกไปทําไม อถ้าออกไปก็ไม่ใช่นี่แล้วเนี่ยนถึงสมาบอบตั้งสมาธิสองสมาธิสมาธิเทวทัศนมภาวนาแล้วมันจะออกมันออกไปหาเรื่องคนอื่นแต่สมาธิพุทธเจ้าไม่หาเรื่องใครทีสมาธิพุทธเจ้าจะอยู่กับสมาธิทตลอดจะไม่มีใครด้วยไม่มีเทวทัศน์นด้วยไม่มีใครไม่ว่าอะไรไม่มีมีแต่ความรู้สึกลรลึกรู้อยู่กับความว่างนั่ น, น่หละถ้าเห็นจิตปั๊ความว่างเกิดขึ้นโยมพยายามด้วยวัยด้วยวัยด้วยวัะ นึกไว้นึกไว้นะอ่านึกไว้เรื่อยๆนึกไว้เรื่อยๆ่าอนึกไว้เรื่อยๆ ก่อนนะไอ้ที่เราจับไปอะเราจับได้ตรงความเย็นๆนะจับไว้เลยเลอะเลือด ร, รู้อยู่ตรงนั้นครูบาอาจารย์บอกภาวนาเพื่อหายใจมันหายใจมันเยอมันไม่ค่อยเจอเจอยากเพราะใจมันเกิดจากน้ําถ้าไม่มีน้ําใจมันก็เกิดไม่ได้ตัวเราก็เกิดจากน้ํา ถ้าไม่มีน้ําก็เป็นตัวไม่ได้เราต้องไปดูต้นกําเนิดการเกิดเราจิตเดิมแท้เราอยู่อยู่ข้างในฮะจิตเดิมเราแล้วคือผู้รู้ผู้รู้ปรุงแต่งไม่ได้แต่จิตเดิมแท้แต่ตอนนี้มันมีวิญญาณไปก่อปั๊บมันก็เลยปรุงแต่งขึ้นมามาเป็นรูปเป็นเป็นรูปคน ดนั้นเรือเราเราเราอยากเช็นจิตเจ้าของเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูตรงนั้นเราจุดติตรงไหนไปดูตรงนั้นเราต้องเปลี่ยนฐานใหม่เลยฐานที่เราเกิดนั่นก็เลือกฐานแท้ฐานนั้นเราอยู่ทั้งเก้าเดือนทั้งแปดเดือนเก้าเดือนเราอยู่ตรงนั้นไม่เคยออกไปไหนเลยแต่ตอนออกมามาเพภาวนาก็ไปที่อื่นไปที่อื่นมันก็ไม่สงบ มันสงบได้ไงก็ไปที่อื่นจิตมันจะสงบมันต้องหยุดอยู่ฮะมันต้องหยุดอยู่หยุดอยู่ตรงไหนหยุดอยู่ที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานจิตพระพุทธเจ้าอธิษฐานจิตอธิษฐานลอยถาดในน้ำตอนนี้น้ำสุดไหนถาดเราก็สุดนั้นตอนนี้เมื่อกวันเย็นอยู่ในท้องเยาวถาดก็ต้องอยู่ตรงนั้นอะถาดเราคือผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นมันอยู่ตรงนั้นทันทีเดีย๋ยพยายามปล่อยทุกส่วนลงไปเลยอย่าไปยือ้อเราต้องปล่อยเต็มหมดเต็มหมดเลยจะไปกังวลอย่างอื่นเพราะเราไปกังวลไปไปกังวลการเกิดมันไม่ต้องปล่อยลงไปเลยชาติเราเนี่ยตามน้ําบางคนบอกกินน้ําเยอะแล้วมันจะไม่ไม่รู้สึกปพราะกินมันน้อยกินน้อยเสร็จแล้วชาติถะตังไม่ยอมตามไปเลยทั้งท่าความเย็นมันไปแล้ว ่ไปทุกสิ่งทุกอย่างลงไปกระเพาะหมดแม้แต่อาหารกินข้าวอาหารเมื่อวานโยมกินตอนเย็นเขายังนั่งสมาธิในกระเพาะโยมเลยแล้วยังอยมยังยังไม่ออกเลยนะเขายังนั่งสมาธิอยู่ดังนั้นสมาธิมันต้องมีสมาธินอกกับสมาธิในสมาธิในมันจะไม่ไปข้างนอกนะเหมือนน้าเย็นที่กินเนี้ยอันนี้ก็เรียกสมาธิในสมาธิในไม่รู้แต่ข้างในไม่ไปข้างนอกนะ แต่สมาธินอกอ่ะจะมาคร้ามันไม่เข้าข้างในเด็มันไม่พม well, so ันไม่เข้าข้างไหนนั่งเ้าราที่ไรมันก็ไปตลอดไปจนเป็นสมาธิจะมาถึงยกฐานะเขาเลือกสมาธินอกสมาธินอกกับสมาธิในแต่สมาธิในนี่เป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าเด็พระพุทธเจ้าท่านบรรลุถึงกมาธิในสมาธิในเพราะสมาธิของพระเจ้าที่บรรลุนั่นเป็นสมาธิไม่มีใครไม่มีใครเลย เหลือแต่ผู้รู้อยู่กับความว่างนั่นแหะบรรลุพระพุทธเจ้าบรรลุถึงสมาธิในสมาธิไม่มีไม่ไม่มีวิญญาณไม่มีขันห้าสมาธิพระพุทธเจ้าบรรลุไม่มีขันหา้ า, หาอันนี้ก็เรียกสมาธิในแต่สมาธินอกเขาเรียกเป็นสมาธิสังขารสมาธิสังขารยกฐานะเป็นสังขารน่นนนนี่แท้ไม่ใช่สมาธิเลยทั้งไปถ้าพูดตามภาษาโลกเขาเรียกลงสังขารน่ะ ลงกลางคานเพราะมีวิญญาณค่อยผ่านนําเที่ยวเราก็เที่ยวเอาวิญญาณมาเป็นจิตเอาวิญญาณมาเป็นจิตตนั้นแหละเอาแล้ว เ, เกิดไม่หยุดไม่หย่อนเลยสารพัดความโลภโกรธหลงอิจฉาทุกข์ทุอยาสารพัดแกมก็แก้กมไม่ได้เพราะวิญญาณเน่ยใครจะไปแก้วิญญาณได้แ ต, แต่พระพุทธเจ้าน่ยมืท่านบรรลุตอนท่านมีวิญญาณท่านก็ไปบรรลุธรรมนะยังไม่เคยยังไม่บรรลุธรรมมันทรมานมาก แต่ไปเจอธรรมปัปปบิณ ญ, ญาณก็หลุดเพราะขันท่านหลุดออกจากขันท่านหลุดออกจากขันท่านนั้นท่านสบายเลยท่านไม่ต้องมาเกิดอีกพราะหลุดจากขันไปแล้วเลยสมาธิเราก็ตั้งชื่อสองอย่างสมาธิของพระพุทธเจ้ากับสมาธิเทวทัตสมาธิของพระเจ้าจะไม่เห็นใครในกระผู้รู้อยู่ข้างในนั่นคือพระพุทธเจ้าแต่สมาธิเทวท่านมันจะหาเรื่องคนอื่น นั่งอยู่ตัวเนี้ยเพราะมันหาตัวเองไม่เจอถ้ามันหาตัวเจอมันไม่มันไม่ไปหาเรื่องคนหรอกเพราะสมาธิเทวทัศน์ก็เหมือนเขาเรียกตประสาโลก็เรียกเปรตเปรีดมองเห็นแต่คนอื่นเนี่ยจ้ของไม่เคยเห็นเนี่ยสมาธิสมาธิเทวทัศน์พุทธมาเทวทัศก็มีสมาธิดีเหมือนกันเนี่ยแต่สมาธิเทวทัศน์เขาเรียกเป็นสมาธิโลกิยะแต่สมาธิของพระเจ้าเป็นโลกุตระ โลกุตรามันไปแต่ความว่างนี้ทำให้าาโลกุตรานโยมไปได้ไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้ถวัลยิขสิทธิ์แต่พระพุทธเจ้าให้สมาธินั้นท่านให้สมาธิไม่เกิดนะยท่านภาวนาไปเจอแล้วเป็นสมาธิยังไงก็เกิดไม่ได้ยังไงก็ปรุงแต่งไม่ได้นั่นสมาธิต้งนั้นพระพุทธเจ้าประกาศตรัสรพูทธขึ้นมาคือสมาธิไม่เกิดนนั่งทภาวนาอย่างไรตายแล้วไม่เกิดนั่นเองของพุทธเจ้านะฮะ ตอนนี้ถ้าใา้ไครก็ให้บุคคลสองเพศเพศหญิงกับเพศชายนักบวชก็ผู้หญิงผู้ชายพระพุทธเจ้าให้มาแล้วสองพันกว่าปีแต่พวกเราไม่เคยคิดตอนไปทภาวนาเหมือนพระุทธเจ้าแต่ตอนไปมาสักพักหนึ่งไปบริษทัทเทวทัศนเลยเออไปนู่นไปนี่ต่างๆนานาทารพัดว่าภาวนาแล้วทําไมต้องเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ภาวนาเหมือนพรุทธเจ้าเนี่ยถ้าภาวนาพระพุทธเจ้าไม่หาเรื่องใครเด้ คนมีสมาธิมันด่าคนไม่ได้ด็บางคนบอกโอ้อาจารย์นี่มีสมาธิดีแหมตอนไปพูดแล้วก็ด่าคนนู่นด่าคนนี้สมาธิจริงๆมันด่าคนไม่ได้นะุูนตรงนะถ้าเจอสมาธิมันด่าไม่ได้อิจฉาคนก็ไม่ได้ใส่ร้ายไปสีคนก็ไม่ได้นั่นคือสมาธิของพระเจ้าแต่ที่ด่าได้มันน่าจะเป็นสมาธิเทวทัศน์ สมาธิเทวดาใส่ร้ายไปสีดูถูกอาจารย์ตุพันน์อาจารสุพันน์ไม่ดีอาานุนไม่ดีอ า, านุนไม่ชั่วเนี่ยเนี่ยเบนี้ไอ้นี่ น, น, น, น, น, นี่ต้องเป็นเทวดาแน่นอนนะเพะฉะนั้นพวกเราพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับเรานะรับมาสองพันกว่าปีแล้วคือสมาธิอย่างไรใจแล้วไม่เกิดสมาธิที่หาเรื่องคนไม่ได้นั่นคือสมาธิพพุทธเจ้าสมาธิของพรุทธเจ้าสมาธิไม่มีสังขารเพราะสมาธิของพรพุทธเจ้ามันหลุดจากวิญญาณไปแล้ว อาแล้วพวกเราจะไม่ตายมันหลุดได้เหรอก๊าซได้โยมคิดดูดอา้าวเปรียบง่ายๆเหมือนน้าเย็นที่โยมกินไปเนี้ยถามว่าความรู้สึกเย็นเย็นปรุงแต่งได้ไหมถ้าจิตตรงไหนปรุงแต่งไม่ได้นั่นเขาเรียกหลุดจากวิญญาณถ้าสมาธิอย่งางไรมีสมาธิรู้สึกแล้วยังปรุงแต่งได้นั่นเขาเรียกสมาธิสังขารเพราะมีวิญญาณนะนัะ่นไ้รู้ได้อะ่ะ บางคนบอกเฉยไม่มีอะไรเลยไม่เห็นจ่พิจารณาอะไรพิจารณาไม่ได้ถ้าเจอสมาธิ widely, าาธของพรุทธเจ้าไม่ต้องพิจารณากายแต่ถ้าสมาธิสังขานต้องพิจารณากายเพราะมันมีขันห้าเป็นสังขานเนี่ยอันนั้นได้เป็นสมาธิแบบนี้พิจารณาได้อันนี้จังทุกข BB, ังนัตตาไปได้เลแต่สมาธิพพุทธเจ้านี่บนตรงมันเป็นความว่างเลยครหยุดอยู่เลยนะหยุดอยู่ตรงไหนเหมือนโยมรู้เนี่ยว่าหยุดตรงไหนโยมก็รู้ว่าหยุดอยู่ตรงผู้รู้สุเ <S <S ยนนยน ถึงลูกบุญูโโดออกคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ต้องอาศัยความคิดถึงรู้รู้อะไรรู้ว่าหยุดแล้วอยูต่ตรงไหนหยุดตรงผู้รู้รู้ตรงไหนรู้ข้างไหนไม่ได้รู้ที่หัวใจนะต้ตงมาถามว่าใจโยนๆในอยู่ที่หัวใจไม่ใช่จะอยู่ในหัวใจโยมคิดถึงสุรินโยมก็มันก็ไปด้วยทีขนาดนันนะ้เออจิตเราคือเจ้ามโนเจ้ามโนนึกตัวนี้แหละกันเรียกว่าจิตเราตอนนี้จิตจิตเราไอ้เป็นมโนเน่มโนหนึ่งมีวิญญาณ ไก็มโนหนึ่งไม่มีวิญญาณแต่พระพุทธเจ้าไปเจอไอ้มโนที่ไม่มีวิญญาณเออไอ้มโนไม่มีวิญญาณไปมันนึกไปหาใครไม่ได้เออเพราะไม่มีตัวมีตนอะไรเลยแม้แต่ตัวเจ้าของก็ไม่เห็นมีเลยไม่ได้ความรู้สึกนั่นแหละแต่เราก็จะไปเอาเจ้ามโนที่มีวิญญาณออให้ท่องเที่ยวเลยไม่หยุดไม่ย่อนนึกไปนู่นไปถึงหลวงพ่อยืนบั่งไปนู่นไปนี่ แต่ตอนนี้ทาเรามีสมาธิของพู้เจ้าเนี่ยเรานึกได้แต่ไม่ไปน่นึกได้นึกไปทุรินได้แต่จิตไม่ไปอันนี้ก็เรียกคิดกแต่คิดน่ะคิดแต่ที่พอปันแยกกันออกแล้วมันแยกจากการออกแล้วเมื่อเราคิดไปทุรินข้าวเรายังอยู่ที่ท้องความคิดไปถึงทุรินข้าวไปข้าวข้าวก็ไม่ได้ไปด้วยนะยังอยู่ฮะยังอยู่ท้างั้นเราต้องแยกส่วนออกมาให้ได้ แยกส่วนส่วนที่ไปและส่วนที่ไม่ไปไอที่ไปมันตัดแตคิดเพราะมันมีมันมีชีวิตอยู่มันต้องคิดอยู่แต่ไม่ไม่ไปเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนไปหมดด้วยกันเลยขบวนไหนก็ขบวนนั้นเต็มที่เลยเต็มขบวนเลยแต่ตอนนี้เราแยกออกปั๊บให้รถไฟมังไปแต่กูจะเป็นรางมันหรือจะเป็นสถานีรถไฟมึงไปเถอะกูจะอยู่นี่แหละ อ่ามึงไปด้วกูไม่ไปด้วยหรอกสถานีกูเป็นสถานีเว้ยไม่ได้ไปไม่เป็นรถไฟไปเด้ถ้างั้นจิตตรงนี้่ก็ําขันญาณโยมทําได้โยมอย่าไปคิดว่าตัวเองทําไม่ได้บางคนท้อบางคนท้อใจนะภาวนาทีไรไม่กํำบบเฉยๆกิเลสหนาะปัญญายอมกิเลสนุนกิเลสนี่ต่างๆนานาโยมแต่ทํามายังถามว่าโยมไม่รู้คาว่ากิเลสคืออะไรโยมบอกความโลภโกรธหลงอิจฉาทิจฉาบอกไม่ใช่ ความโลภนะก็มีชื่อแล้วความโกรธก็มีชื่อแล้วความหลงก็มีชื่อแล้วความอิชฉาทิฏยากไมีชื่อทุกอย่างแล้วแล้วเอาชื่อเข้ามาทำไมแล้วถามตัวเองมีชื่อไหมอ่ะไม่มีเส้นผมก็มีชื่อไม่ได้จมูกก็ยังมีเขาลูกตาก็ยังมีชื่อเลยขี้ตายังมีชื่อเลยขี้ฟันยังมีชื่อเลยเขาร่างกายเราเขามีชื่อเขาแล้วหมดแล้วเออแล้วบอกเขาไม่ดีมันไม่ถูกเด้ออ เราต้องมาดูว่าเออเนี่ยมันก็มีหมดแล้วชื่อก็หมดแล้วไม่ใช่เขาว่านิดหน่อยก็โกรธเขาเกลียดเขาไม่ได้เพราะการภาวนาเนี่ยมันสําคัญมากบางคนภาวนาเป็นอ่ะจะโกรธคนง่ายเหลือเกิเนอ่ะเท่มภาวนาท่านไหนขาดอกขัดใจเขาไม่ไวักป๊อบปอป๊อป๊อบปเนี่ยเหมือนตมาอยู่สนมเนี่ยเขาจะด่าหกเดือนเขาด่าได้สี่วันตั้งแต่เที่ยงถึงหกโมงเย็นด่าได้สี่วันเขาหลังก็ไม่มาด่าเลย ก็วาอาจารย์เยือนไม่ใช่พระถ้าเป็นพระมันต้องโกรธกูด่ามหมดแล้วไม่เห็นนั่งเฉยเลยนั่งเฉยเลยด่าสารพัดด่าไปเถอะเรานั่งเฉยเราก็ไม่ได้ด่าเราจากเขาคือคาด่ามันมาจากปากเขาเนี่ยเออเพราะเขาเป็นเขาเป็นที่เขาเองเขาก็มาใส่เราแล้ะเราเนี่ยจะไม่เป็นเลยเสีอไปเอาของเขามาใส่ใจนี่นเป็นงี้ส่วนมากนี่สายคนมันเป็นอย่างนั้นเหมือนไปนได้ควายเนี่ยโมโหโทโสทันทีเลย ไอเฮียก็ะดาบโมโหโทรโสเนอะทั้งทั้งไอเฮียนั้นตัวเองไม่ได้เป็นเฮียเลยตมากระโดนเขาด่าแล้วที่วัดบู่นไอเฮียไอจัดไอนรกสารพัดเลยเอาน้ำชาลงใส่หัวพระตมาก็นั่งเฉยก็บอกทําไมไม่ต่อยเลยต่อยไงขุยเยื้อนไอชื่เฮียที่ไหนวะเออก็ะดาเฮียก็เสือกไปเอาเขาเล้วตมาก็เลยใช้คําพูดข้อหนึ่งบ้างถ้าคนเป็นเฮียเขาจะเดือเขาจะด่าเราไอเฮียจะไว้ได้นะจะไว้ให้ดีเด้ เหมือนโยมเห็น เ, เนี่ยก็ได้เฮี้ยเนี่ยโยมต้องเข้าใจโยมไม่ได้เป็นนะคนที่เป็ น, นคือคนนั้นเขาด่าเป็นถ้าคนเป็นเฮี้ยก็ดับเขาก็เป็นเฮี้ยกระดับอะไรก็เฮี้ยเฮหมดถ้าคนเป็นควายกระดับควายควายควยหมดไอเป็นจากระรัสัตว์สัตวหมดนะเออไอจังไรก็อะไรนั่นมาจากของเขาทั้งนั้นไม่ใช่จากเราเนี่ยไม่ได้จากเราเหมือนพระเจ้าไหมเทวทัตด่าพระเจ้าสารพัดแต่พระเจ้าไม่มีมีแต่เทวทัตอย่างเดียว สาราพัดเทวธาตุให้พระเจ้าพระเจ้าเ จ, าจ้าไม่ไม่เอามันเอาไม่ได้อยู่แล้วเพราะพระเจ้าไม่มีมีแค่ผู้รู้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยทําการที่ตรวต้องดูนักปฏิบัติน่ะจะเป็นคนเปาะบางเอต้องกําลึงถึงพระเจ้าเป็นหลักก็ใช่ไหมเนี่ยต้องเรียนโยมในบาทเนี่ยในบาศข้างในบาทเนี่ยมันเป็นความว่างเนี่ยทําได้ใส่ข้าวนะเนี่ยร่างกายของเราเหมือนบาทออจิตเราเหมือนความว่างในบาทเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ย นะอาศัยกันอยู่แต่ไม่เกี่ยวข้องกันนั่นะนะเราก็ต้องดูทหารใหม่ก็เปลี่ยนบริษัทใหม่ก็ได้นะบางคนก็บางคนเปลี่ยนนะแต่มามีบริษัทของเทวทัตถ้าเทวทัตมันจะไม่เห็นตัวเองนะเน้นท่าคนเก่งมากเพราะมันมันมันฮะตัวเองไม่เจอเห็นแต่คนอื่นอันะนี้บริษัทเทวทัตแต่ถ้าบริษัทของพระเจ้าจะด่าใครไม่ได้เลย อย่างตมาตมาถามลูกน้องตมาเคยโดนเห็นตมาด่าไหมไม่เคยเออทําไมไม่ด่าไม่รู้เห็นเห็นหลวงพ่อด่าอย่างมากหลวงพ่ออะไรก็ช่วยกันทําไม่จะไปด่าโน่นไอนี่ไม่ได้ด่าไม่ได้คือสมาธิตรงนี้มันไม่มีนะพูดตรงๆถ้าพึกสมาธิตามพุทธเจ้าจะไม่มีความอาฆาตพยาบาทอิจฉาทิฏฐยาสายร้ายปลายสีคนนั้นจะไม่มีแน่นอนนะเนี่ยก้อโนมเปรียบเหมือนความว่าง โยมเคยเห็นความว่างด่าคนไหมอิจฉาคนไหมไม่มีนั่นคือของพุทธเจ้าพุทธเจ้าบรรลุธรรมตรงที่ไม่เกิดนั่นเองดังนั้นถึงท่านสบายแต่พวกเราตามพุทธเจ้าแต่ตอนเอาไปแล้วไปเอาบริษัทเทวทัศน์มาใช่ยังไงจนเรียบร้อยสุดท้ายก็จะไปไหนอ่ะเทวทัศน์ไปไหนโยมก็รู้อะพระพุทธเจ้าไปไหนพุทธเจ้าไปนิพพานเดเชเทวทัศ์ไปไหนต้อไปนูน่นลงนโลกอะ ถ้าคิดจะเปลี่ยนบริษัทก็เปลี่ยนได้ตอนที่จะมาพูดนะเข้าใจไหมต้องเปลี่ยนได้เลยถ้าจะคิดจะเปลี่ยนเข้าบริษัทพุทธเจ้าก็เลิกด่าตั้งแต่วันนี้นไปหลวงพ่อเป็นอยังท่านฉลาดท่านพาพวกเราไปสรวดอิติปิโสปะเกวะระหังตา ม, มาตามบุตรเพราะท่านรู้ว่าเราด่าคนตั้นจะเกิดไอ้ปากมันจังไรอ่ะไม่เป็นมงคลด่า เลยท่านสอนช่วยวิโซเพื่อล้างปากเออไอ้มน์มันเป็นมนตราล้างปากได้ข่าวหลังต่อมาก็บอกว่าประเทศบอกว่าล้างปากไม่พอเราต้องถวายสติหลวงพ่อไปอด้วยด้วยถวายสติยังไงรู้ไหมตมาจะบอกให้ได้นะจะออโกรธใครก็อื้ออื้ออื้ออื้ออ้ออื้อมื้อื้ออือือออือออือออือออือออือออืออออื้ออื้ออื้ออื้้ออื ก็วถวายปากทั้นแล้วเนะี่ยถวายทุกทินทุกวางกระจายสติของท่านก็เข้าในเลยแต่ถ้าอาปากก็หาเรื่อง น, ะนั่นนะนั่นวิธีการปฏิบัติพวกเราเนี่ยพูดตรงๆนะเราฟังเทพครูบาอาจารย์ตายไปเยอะเลยนะนี่เหลือตมาสุพันอาจารย์สุพันเดี๋ยวก็ตายเลยพวกนี้ไม่ไม่นานหรพวกเรายัางหาจิตไม่เจอเนะี่ยเรียบหาต้นะถ้าคิดจะหานะทําไมคิดจะหาก็ไม่เป็นไรดอกแต่มีใครรอใครดอก เอาพุทธเจ้าเลยเอากระถาพุทธเจ้าเลยกระถาที่พุทธเจ้าอธิษฐานบมันรู้ทำกระถาไหนอะเอออธิษฐานจิตเออธิษฐานเจ็ดลอยถานในน้ำํำแล้วน้ํามันอยู่ที่ไหนน้ํากินทุกวันไม่น้ําในรังชะาไม่มีไม่น้นําดจะอยู่ไปได้เออเรากินแม่น้ํำในรังชราตั้งแต่เกิดกินของแม่ไปก่อนเลยเด็กเกิดมาปิ๊บของกินเมือของแม่จากของแม่แล้วกินของคนอื่นต่อไป นั่นแหะกินตั้งแต่เกิดเนะย น, น้ํำนี่ไม่ได้กินตั้เกิดแต่ไม่เคยเอาสติสตังไปคิดว่ามันมาจากไหนอ่ะกินแล้วไม่ได้อะไรเนี่ยนั่นแหะทุกคนเกิดจากน้ํเท่านั้นนะเอาน้ํามาเป็นฐานเลยนะลองลองดูก็ได้กันถ้าคิดจะลองนะลองได้นะบ่ ก, ก็ไม่บังคับเหมือนกันนะไม่บังคับไม่บังคับถ้าที่มีสมาธิเข้าในอ่หลวงปู่ดูลวงปูดงป่ดูลจิตท่านไหลเหมือนน้าเย็นนะ หลายเมืนอน้ำเย็นยองไปดูอยู่กับหลงปู่มันจิตท่านไปอยู่ตรงกระเพาะเลยมันก็ว่างหมดเลยท่านพูดเรื่องจิตให้จิตโง่นอกเป็นทุกจิตท่านจิตเจ่มแจ้งเป็นมากเพราะนั้นเกิดใจจิตท่านจิตเจ่มแจ้งเป็นในโรคกุกรรมบบทุกแล้วยมรู้ตรงไหนมันจะทุกไหมไม่ทุกหรอกมันรู้ทําไม่ต้องมันรู้ดอกเป็นผ้าหานไม่ต้องเป็นแค่ตั้งสติ ต, ตรงไหนมันหาเรื่องคนไม่ได้นั่นแหละ เราตั้งสติตรงไหนมันหาคนไม่ได้หาเรื่องคนได้จะไปตั้งให้ตรงไหนตั้งจะหาเรื่องคนไม่ได้นั่นแหละตรงนั้นเอาเลยฮะับไอ้นั้นไม่เกิดหาเรื่องคนได้มันจะเกิดหาเรื่องคนไม่ได้มันก็จะไม่เกิดนั่นเอาตรงนั้นเลยแต่ก่อนต่อมาก็พิจารณากายเหมือนกัน พิจารณากายไปประมาณบอกทำไมพิจารณากายทำไมท่าที่ไม่เกี่ยวกับจิตขนันธ์หไม่เกี่ยวกับจิตจิตไม่มีขันธ์โอ้โหที่แท้มาดูพิจารณาอันอันี้จังทุกขังหน้าตาแทบเป็นแทบตายตอนไปเจอจิตอ้าเออท่าที่ก็ไม่มีขนันธ์หก็ไม่มีสบายเลยแต่แต่นั้นไม่ได้มรรู้ทํามนะแค่ว่าหาเรื่องคนไม่ได้ฉะนั้นเองจิตมะหาเรื่องคนได้ไม่ความจิตนั้นอะ่ะเดี๋ยวก็ติดคุกติดตารางนะ ถ้าจิตหาเรื่องคนไม่ได้ไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเคยไหมเนีศาลอื่นหนึ่งก็ศาลศาลศาลคนต่างหากเด้เนี่ยศาลในข้างในนั่นอีกอย่างหนึ่งศาลพยามานต่างหากนะก็ไม่มีประกันก็ไม่ไม่มี เ, เข้าไปประกันตัวดอกตรงนั้นอ่ะะวันนี้ก็เอาแค่นี้แหละคิดไว้จะไม่เทศแต่บว้ให้กินน้เเาเย็นแล้วก็ให้พูดเสริมเสริมสร้างให้เป็นพลังเขาเลือกเติมจิตนะโยนต้นก็จะว่าเติมจิตเติมอะไรนะ เติมสติเข้าไปสู่สมาธิเออเขาว่าเติมจิตไม่ใช่เติมสติเข้าไปสู่สมาธิตรงไหนสมาธิดีเติมไปเติมไปเติมไปเติมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นสมาธิแล้วเรียบรอยเอวงังพอ